คืนนี้เป็นคืนสรุปมห า, าสติปทานสตรไม่ได้กายานุปสนามห า, าสติปฏะทานความจริงเราศึกษากันมาแล้วห้าอย่างหนึ่งอนา ป, า, ปานสติกมัทฐานกำหนดรูลมให้ใจเขาออกสองอิทธิยาบท กำหนดกำหนดรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายสามสัมปชัญญะกาหนดรู้การคู่ไปเหลียวหน้าเหลียวหลังรู้อาการกินในการเดินในการนอนจะทำอะไรก็รู้อยู่ทั้งหมดสี่ปริกูลพิจารณาการสามลิบสองของร่างกายว่าเป็นของสุขรก ห้าธาตุสี่พิจารณาว่าธาตุร่างกายประกอบด้วยธาตุสี่คือธาตุน้าธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเต็มได้วยความสุขหลงหกนวสีที่เรียกกันว่าป่าช้าเก้าที่ตัพิจารณาซารศพคือคนตายแล้ววันหนึ่งสองวันสามวันสี query, ่วันห้าวัน นี่เป็นอันว่าเราเรียนกันมาจริงๆหกขั้น้วยกันการศึกษาหกขั้นนี้ถ้าจะว่าจะไปถึงนักปฏิบัติจริงๆที่ท่านเป็นอรหันต์กันแล้วนี่ท่านปตาจาราเทรีท่านศึกษาเท่าเราหรือเปล่า ถ้ในรับคำแนะนำจะองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าภักดีนี้ดูกระน้องหญิงเธอจะร้องไห้ไปทำไมถึงพ่อตายแม่ตายพี่ตายผัวตายลูกตายอาการที่ต้องพัดพลากจากคนรักคนชอบใจแบบนี้ต้้าตาที่เป็นเหล่าเจ้าหลังไหลามาเพราะอาศัยความตายเป็นเหตุ องสมเด็จพระบรมโลกไกเชษทรงเปรียบเทียบว่าน้ำตาของเจ้ามันจะมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่พระชาติหนึ่งอาจจะไหลลงมาไม่ถึงขันแต่การเกิดของคนกับหนึ่งมันเกิดหลายวาระแล้วการเกิดของเราจริงๆกับนับเป็นหลายหลายนิวตัตแม่ หลายหลายอาสองไขยกลับกว่าจะเริ่มตนเป็นคนดีได้มันเป็นคนเลวมากากว่าคนดีในการที่จะมีวาสนามบรมีเป็นสาวกภูมิได้อย่างท่านปตาจาราเทรีต่อเริ่มมาเป็นคนดีมาถึงหนึ่งอสองไขยกำไรแสงกลับอสองไข่เนี่ยมันไขคงกลับนับไม่ได้ นับไปนับมานับปานับไ ป, น, บไปนับไม่ทนเรียกว่าหนึ่งอสังไข่สองอสองไข่อะไรก็ตามแล้วก็มีกาไรอีกแสงกับก็เพียงแค่กับเดียวก็เกิดกันแต่หลายหนเกิดเป็นคนบ้างเกิดเป็นสัตว์บ้างอาการพัดพรจากของรักของชอบใจสัตว์มันก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกันสัตว์ก็คือคน คนก็คือสัตว์คําว่าสัตว์ก็คือคนก็หมายความไอ้คนที่ทําความชั่วน่ะตายแล้วไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างไปเกิดเป็นสัตว์ในโกบ้างเป็นเปรดบ้างเป็นสุรกายบ้างแล้วก็คลานมหาสัตเดรัจฉานบ้างนี่ก็คือสัตว์ก็คือคนนี่คําว่าคนก็คือสัตว์ก็หมายว่าคนก็มาจากสัตว์และคนก็เคยเป็นสัตว์เดรัจฉานมาก่อน มีสัตว์ใจฉายกับคนย่อมมีความปรารถนาเสมอกันต้องการอยู่ดีกินดีมีความสุขไม่ต้องการให้ใครมากลมเหงกาเลงร้ายเหมือนกันไม่ต้องการให้ใครมาเบียดเบียนเหมือนกันนี่เป็นอันว่าคนกับสัตว์มีความรู้สึกเท่ากันอันนี้ผมพูดเรื่องอะไรพูดมาเรื่อยไปลมะมั้ง ในพูดให้เข้าใจแต่ว่ามันคงจะไม่เข้าเรื่องเปน็นอนุว่าพรฒนาด้านการเกิดเป็นคนก็ดีการเกิดเป็นสัตว์ก็ดีแต่ว่าความรู้สึกในจิตจิต ท, ที่เข้าไปเสียงสิทธิ์อยู่ในกายมันเป็นจิตของคนที่เขาเรียกว่าสัตว์มีความปรารถนาน้อยกว่าคนนั้นความจริงมันไม่จริงสัตว์มีสภาพเหมือนกับคนถูกขงัง ที่จำกัดเขีย่ยให้อยู่คือจิตมันเป็นจิตของคนมีความปรารถนาเท่าคนแต่สภาพมันเป็นสัตว์เขาก็เลยจำกัดเขียให้อยู่ด้วยอานาจของอกโศนกรรมที่ตนทาไว้นี่การเกิดเป็นคนก็ดีการเกิดเป็นสัตว์ก็ดีการหลั่งไหลน้าตาออกมาจากการพัดราจากขอรักขอชอบใจ แต่ระคราวถึงแม้ว่ามันจะน้อยแต่บ่อยๆเข้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าน้ำตาของเธอถ้าจะเก็บไว้มันก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ฉะนั้นขอน้องหญิงจงระงับความโศกเสียเถิดนี่ท่านฟังธรรมะเพียงนิดเดียวเท่านี้ท่านก็ระงับความโศก ต่อไปบทเป็นนามวิสุนีฟังวัรมเทศสนาเรื่องขันห้าเล็กน้อยแล้วก็ต่อมากลับมาถึงที่อยู่เอาน้ำรางเท้าลาดไปน้ำไหลไปนิดหนึ่งราดไปทีน้ำไหลเลยไปนิดนึ่งแล้วไปหยุดราดไปทีน้ำไหลเลยไปนิดหนึ่งแล้วไปหยุดท่านเราคิดว่าชีวิตของคน อาจจะตายในปฐมวัยคนใด้ไม่มัดในมัชชิมวัยคนได้ในปัชชิมวัยคนไดคือตายระหว่างความเป็นเด็กหรือคนกลางคนหรือว่าคนแก่คนได้เหมือนกันมันก็ตายจะตายเวลาไหนก็ตามขึ้นชีวิร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่ควรจะยึดถือมันเพราะว่าคนยึดถือมันก็เกิดความทุกข์เปล่า เพียงเท่านี้ท่านก็เป็นพระราหันแล้วทรงพระตัยบิดกถ้าเราจะอาเทียบกับการศึกษาของพวกเรานี่พวกเรานี่น่ากลัวความรู้ล้นดีไม่ดีตทอาเหล็กพืชมาขึงพวงเกรงว่าภวงจะแตกเหมือนกับท่านท่านหนึ่งในเรื่องขราวของพระสูตรแต่ก็ยังไม่พูดถึงท่าน ในความจริงถ้าเราศึกษากันมาจริงๆวยความตั้งใจฟังและปฏิบัติอาศัยกำลังใจมั่นคงมีกำลังบารมีสิบครบมีจารณะสิบห้าครบมีบที่บาครบทสี่ครบเพียคแ่ศค่าศทาอสาปาอย่างเด่ียวาี วิริยาบทอย่างเดียวสัมปจญยะปะฏิกุณท่าสีนววสีอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเราก็เป็นพระอรหันต์ได้เพราะว่าท่านสอนมาทางสมถะละวิปัสนาตอนนี้ก็อยากจะให้ท่านตัวท่านเองท่านอื่งหลายถามใจของท่านว่าเวลานี้อารมณ์จิตของท่านตั้งอยู่ในจุดไหน ตั้งจุดในช่วงของฌานโลกีหรือว่ากำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นพระอริยเจ้าหรือว่าท่านทั้งหลายกำลังเป็นโมฆะบุรุษเป็นบุรุษที่ใช้อะไรไม่ได้เลยไม่มีอะไรติดใจยอยู่เลยที่พระพุทธเจ้าทดานสอนว่าไม่ร่างกายภายในก็ดีร่างกายภายนอกก็ดี มันก็มีความเสื่อมขึ้นแล้วก็มีก็มีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปท่านอย่ายโจงอย่าสนใจในร่างกายเม่เห็นก็สักแต่วาเห็นเมื่ออาศัยอยู่ก็รู้รู้อยู่ว่าเราอาศัยอยู่จงไม่ยึดถือในร่างกายและไม่ยึดถืออะไรทั้งหมดในในโลกนี้อารมณ์นี้มันก้องอยู่ในจิตของท่านหรือเปล่า แล้วท่านก็พยายามละร่างกายละความเป็นมาและความยุ่งยากของชีวิตความจุกจิกของจิตโทงท่านเนี่มันมีอยู่มันละหรือเปล่าหรือว่าอย่างยึดนั่นยึดนี่อ น, นี่ดีไม่พอนั่นดีไม่พอน่ยไม่เหมาะสําหรับฉันอ น, นี่ไม่ดีอะไรพวกนี้เป็นต้นยังมีอยู่ไหม ทั้งมีอยู่ก็ชัวร์ท่านยังเป็นปุถุชนคนที่ยังหนานแน่นไปด้วยกิเลสคาสอนเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่ผมนํามาสอนไม่ได้เกิดประโยชน์กับท่านเลยไม่มีเลยท่านเพื่อก็เป็นโมฆะบุรุษคําว่าโมฆะบุรุษโมฆะสตรีก็เป็นผู้เปล่าเป็นผู้ไร้ประโยชน์ เกิดมาเสียชาติเกิดเกิดเป็นคนแล้วก็ต้องกลับไปลงเอเวีจีใหม่เพราะว่าหูฟังธรรมะอยู่ทั้งวันวันละสี่ครั้งแต่ว่าทาจิตใจให้ใสสะอาดจากกิเลสไม่ได้สนิดหนึ่งดินแดนที่พึงต้องไปก็คือเอเวีจีมหานรก ทำไมจึงว่าอย่างนั้นก็เพราะว่าหูมันหนาเกินไปใจมันหนาเกินไปจน่าทั้งบุญเข้าซึมก็ไม่ได้มันไหลมาทั้งวันละสี่ครั้งแต่ยังไม่สามารถจะระคายแม้แต่ผิวหนังให้เป็นปุถุชนคนดีไม่ได้ก็ไปเอาเวจีตอนนี้สำหรับคนดีมีอยู่นี่ผมแม้ที่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านทั้งหมดไม่ดีหรอกับ สมมุติว่าท่านบรรจุมันลงธะมะลงไปไม่ได้ได้ความจริงมหาธิปฐานนาสูตรนี่เราก็มีธรรมราดูสอนเสอนกันมานี่เราก็มาเข้าต้นกันเป็นวาระที่สามพระตาจาราเทรีท่านฟังนิดเดียวท่านเปรารหันหนี่เราวนกันมาวนกันไปเรื่องนี้ผ่านในพูดกันทุกวันเปีสามร้อยหกสิห้าวัน้าที่พูดเกินกว่านั้น พูดกันมาเป็นปีๆจิตใจของท่านนั้นหลายจับเป็นได้บางรูอเปล่าเอาละเป็นเรื่องของท่านขึ้นชื่อว่าคนจะชั่วแล้วขึ้นชื่อว่าคนจะดีไม่มีใครสร้างให้ได้ต้องเป็นเรื่องของตัวเองตามที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าตนแลย่อมเป็นที่พึ่งของตน บงคคลอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้เมื่อเราฝึกฝนตนของตนเราดีแล้วใส่เราได้ย่อมจะได้ที่พึ่งองค์คนพึ่งได้โดยยากเป็นอันว่าจะดีหรือชั่วมาอยู่ที่ตัวของท่านแต่ถ้าว่าชั่วเกินไปสำนักนี้ก็ไม่ต้องการท่านเหมือนกัน แล้วมาเราก็มาสรุปว่านาปาโนสติกรรมฐานพระพุทธเจ้าให้กําหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกอันนี้มันทําพร้อมกันไปเลยที่เราศึกษาศึกษาก็มาทีละขั้นละขั้นผมก็ว่าตามแบบแต่เวลาปฏิบัติจริงๆเนี่ยเขาทำพร้อมกันอนาปาโนสติกรรมฐานการกําหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกนี่เป็นการระงับอารมณ์อารมณ์ฟุ้งซ่านของจิต นี่สำหรับอิริยาบถขณะที่เราใช้ลมให้ใจเขา อ, ออกอยู่นั่นเองเราจะเราจะนั่งอยู่จะยืนอยู่จะเดินอยู่จะเดินไปข้างหนา้าจะเดินไปข้างหลังจะทําอะไรอยู่ในด้านอิริยาบถต่ า, า, างๆเรารู้หมดว่าขณะนี้เราเดินขณะนี้เรานั่งขณะนี้เรานอขนขณะนี้เราทําอะไรอยู่ในอิริยาบถ ท, ที่การทําเรารู้ก็เป็นการทรงสติสัมปชัญญะ เอาอนาปาร์เป็นตัวคุมเมื่อนาปามีทําให้จิตทรงตัวคือกําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกทั้งนี้พราะอารมณ์ให้ใจมาละเอียดเราก็จะต้องเอาใจเข้าไปคอยจับให้มารู้มันอยู่ว่าเวลานี้ให้ใจเข้าเวลานี้ให้ใจออกแล้วจะเพราะอนาปานุสติอย่างเดียวพระพระไตรแก้ากับสอนนี้ปรัสนาญาณไว้ด้วย ทรงรับรองว่าอนาปานุสติอย่างเดียวถ้าทรงตัวก็ใช้ปัญญาเข้าถึงปณิพานธ์ได้ที่ได้กล่าวว่าจงรู้ความเกิดขึ้นในกายภายนอกรู้ความเกิดขึ้นในกายภายในรู้ความเกิดขึ้นเดาเสื่อมไปนั่งกายกายภายในยและกายภายนอก ในร่างกายนี้เราเห็นก็สัตว่วิหินรู้ก็สัตว์วะรู้อาศัยอยู่สัตตว่าอาศัยเราไม่ยึดถือร่างกายไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี่เป็นตัวปลดขันห้าถ้าปลดกันห้าได้ก็เป็นอรหรันต์นนาปานุสติอย่างเดียวท่านสอนท่านก็สอนทุกอย่างเหมือนกันว่าจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งที่เราพอใจได้เลยเวลาหันหทั้งหมด นี Valerie, today, run, ่มารวมในยมอาการปฏิบัติกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกเราก็ทำร้อมกับรู้การขึ้นไปของวิญญาบทแล้วก็พร้อมกับการรับรู้สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทำเป็นสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เสมอว่าทำอะไรเป็นแล้วทำอะไรผิดหรือทำอะไรถูกแล้วก็ใช้ปัญญาเป็นเครื่องรู้ปฏิกรดยสัญญา เพื่อการสามสิสองร่างกายร่างกายทุกส่วนเต็มด้วยความสุขสงบเต็มด้วยความโศโครคเป็นของไม่น่ารักไม่น่าปราทินาไม่น่าพึงใจนื้อก็รู้ว่าร่างกายของเราทั้งหมดประกอบด้วยธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเื็นสภาวะสุขสงบนื้อก็รู้ว่าร่างกายของเรานี้มีสภาพเบรรดาศพที่เราทิ้งไ้แล้วในป่าชา ที่ตายมาแล้ววันหนึ่งหนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันห้าวันมีสีเขียวมีอาการเคร็งแล้วก็มีสีเขีย ว, ม, ยวมีตัวเย็นชืดหน้าเข้าขึ้นอืดมีน้ำเหลืองไหลต่อไปร่างกายสุดโทนน้ำเหลืองไหลไปหมดเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกแล้วต่อไปหนังก็หายไปเหลือแต่กระดูกก็เส้นเอ็นนับถือ เส้นเอ็นหายไปเหลือแต่โครงกระดูกเฉยๆต่อไปโครงกระดูกก็หมดไปนี่การปฏิบัติในมหาติในกายานุปัสสนามหาสติปัฐานนี้เขาปฏิบัติกันแบบนี้ไม่ใช่ไปนั่งไล่เวียที่ระยังระยางระยางธรรมนาปานสติให้ได้ถึงชานสี่เสียงก่อน แล้วก็โยนอนาภานุสติทิ้งไปมาจับอิริยาบถอิริยาบถพอรู้มั่งแล้วก็โยนทิ้งไปมาจับสัมปชัญญะสัมปชัญญะพอจะคล่องตัวแล้วก็โยนทิ้งไปมาจับบริกูลบริกูลพอคล่อตัวดีโยนทิ้งไปมาจับธาตุสีธาตุสีข้าอตัวดีโยนทิ้งไปมาจับทวาศี ถ้าปฏิบัติอย่างนี้อีกอีกโกรธแสนชาติมันก็ไม่ได้อะไรเลยไม่มีทางได้ทางที่ได้จริงๆเขาปฏิบัติรวมเพื่อรวมกันคราวเดียวอนนาปานุสติกรมฐานยืนตัวสรงเขวัยเป็นการระงับนิวรหาประการเรื่องนิวร น, นีในมหาปฏิปทานสูตรธรรมดีพูด ไม่ต้องไปยุ่งกับมันในเมื่อท่านทั้งหลายยังทรงอารมณ์อยู่ในอนาปานุสติกรรมาฐานนิวรณ์ที่ไหนแล้วมันจะมากินใจหรือว่าท่านธรรมัจะวังอธิยาบทของท่านท่านเดินไปข้ า, าถอยมาตางหลังท่ากนกาลังจะนั่งท่ากนกำลังจะทำอะไรท่านรู้อยู่ในด้านอธิยาบท การเคลื่อนไหวทั้งหมดเรายู้รู้อยู่มีสติสมัยัญญะสมัยัญญาควบคุมมันเป็นตัวสตินี่เป็นตัวสมถะภาวนาที่เรามาในเมื่อจิตติมันทรงอยู่อย่างนี้นิวรณมันจะกินใจได้ยังไงสมัชัญญะรู้ตัวอยู่เสมอว่าการกระทําอย่างนี้ทั้งหมดมันมีอะไรบ้างมาเป็นการควรหรือไม่ควรดีหรือไม่ดี ถ้ามันไม่ดีทิ้งถ้าดีทำอย่าสร้างความสุขจิตใจอย่าเป็นคนมีภาระมากอย่าติดในโลกธรรมสัมปชัญญะรู้ตัวรู้ดีรู้ชั่วรู้กิริโครไม่ควรนื้อปีกุรบับรู้สภาพของโลกทั้งหมดว่ามันเต็มไปด้วยความสุขบรก ร่างกายเราร่างกายบุคคลอื่นราวัตถุธาตุทั้งหมดมันไม่มีอะไรสะอาดมันเต็มด้วยความสกปรกตามที่อธิบายมาแล้วแล้วธาตร่างกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุสีธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟกระจายออกไปเป็นอย่างๆพิจารณาว่ามันเป็นของสกปรกนว่าสีที่เจรณาเห็นเป็นสีสกปรกเอาไสิ प, นี่ท่านทาพร้อมกันไปนะไม่ใช่ไปทำเท่าไอย่างให้ใจมันทรงความเป็นเอกระตารมณ์มีอารมณ์เป็นหนึ่งจิตจะเริ่มเป็นสุขนิวอนห้าบระกายไม่ได้เข้ามายุ่งกับจิตเจริทโภประการไม่เกี่ยวข้อง มหาคติประธานสูตรเป็นสายของสุขวิปัสสโกโดยเฉพาะทำแบบง่ายรับสารินใจอย่างนี้ต้องบริการให้ทรงตัวอยู่ตลอดวันทำได้ไหมถ้าบอกว่าทำไม่ได้ผมก็ไม่ตำหนิว่าท่านชั่วเพราะวันชั่วอยู่แล้วไม่ต้องตำหนิ คนดีชั่วอยู่แล้วไม่มีใครท้าตำหนิว่าชั่วถ้าคนดีไปทําชั่วนี่นาตําหนิทําไมจริงตําหนิเพราะวของปกตินี่เราสามารถเห็นได้ด้ตารู้ก็ได้ด้วยดั่มหน้าปัญญาซ้ำๆของเราไม่ต้องบัญญาดีมันก็รู้ตามความเป็นจริงได้แล้วว่าท่านนั้นหลายคิดว่าลปล่า นี่หกอย่างนี้แต่ละอย่างทำได้เก่งอย่างเดียวเป็นราหานหมดท่านี้องค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงมารวบรวมสรุปในตอนท้ายว่าท่านเพิ่งเห็นกายในกายคือร่างกายของเราเองมันมีสภาพเต็มไปด้ความสปกปรกมีสภาพไม่มีการไม่สมงตว เห็นกายนอกกายคือกายของบุคคลอืน่นมันเต็มบริความสุขภกมีกายไม่สองตัวมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปก่อนที่มันจะเสื่อมขนาดที่มันเกิดมันก็เต็มบริความสุขภกในปฏิปุณบำ พ, พิจร า, า, ารณาทัศา์สามสิบสองตั้งแต่เบื้องบนตั้งแต่ปลายผมลงมาทั้งหน้าฝ่าเท้า เบืองล่างตั้งดาวฟาเท้ากันไปถึงปลายผมทุกจุดนี้ไม่มีอะไรเป็นที่นิยมเพราะมันเป็นของกสิทธิเคยคิดกันบ้างไหมรับฟังกันมากแบบฉบับมีอยู่ที่แนะนำไวน้นี่ถ้าว่าจะไม่ได้ไปซื้อคัสเสตที่สรานวราช ถ้าไม่เสียสตางค์สะบ้างมันเอาดีกันไม่ได้หรอกเวลาสอนน่ะสอนฟรีคือไม่จำบางทีก็บอกว่าจำไม่ได้แต่ความจริงนี่ผมไม่ได้ถึงสามาละเอียดแบบนี้นะที่ผมถึกสามาจริงๆนี่ผมจะบอกให้ฟังอันดับแรกผมจับอ น, นาปานสติแล้วก็จับอิทธิบาต จานั้นก็ที่ชอบที่สุดคือปฏิคูณท่าสีนวสีตัดทังไปเลยเท่านี้พอแล้วก็ใช้เวลาไม่มากเวลาเราไม่ใช้ไม่มากให้มันทรงอารมณ์อยู่ลืมตายขึ้นมากว่าจะหลับตายให้มันทรงตัวอย่าไปรักอย่างอื่นอย่าไปยุ่งอย่างอื่นมากกว่าคุณธรรมที่เราจะพึงปฏิบัต ไอ้อย่างอื่นกระจุงก็จริงก็จุงก็จริงเห็นมาบกพร่องเห็นได้แต่จิตใจของเราที่มีช่องโหว่ไม่มีอะไรดีอยู่เลยมั่งมองไม่เห็นนี่มันก็เหลวมากเป็นอนุวา่าถทหวัฒนาหลายมีความสนใจจริงๆในกายานุปัสนามหาสฏิประธานนสตรนี้ท่านก็เป็นอารหันแล้ว เพราะคนที่เขเป็นอรหันนี <Bruno> em, ่เขาไม่ได้ศึกษากันหมดแบบนี้นี่เขามากันอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นส่วนใหญ่ที่สําคัญที่สุดก็ปฏิกรุลบัพพระธาตุสีนวสีพระอรหันต์ทั้งหมดถ้าไม่พ่านข้อปฏิกรุลบัพเป็นอรหันไม่ได้โดยมากท่านก็ฟัดกันแหลกตอนปฏิกรุลบัพนี่นั่นเอง เมื่อจิตทรงตัวพิจรารณาเห็นว่าเป็นของสักปรกก็ดูที่ว่ามันไม่เที่ยงมันมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปถ้าเราอยังยัง ย, ยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูท่านก็คงจะบอกว่าไอ้เจ้านี่โง่เหลือเกินนี่ฉันบอกเธอตรงๆแล้วนะว่ามันไม่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา มันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้ น, นแล้วก็มีความเสื่อมไปในที่กลางมีการสลายตัวเป็นที่สุดเธอเมื่อเห็นแล้วจงสักแต่ว่าทำเป็นเห็นอย่าไปสนใจว่าร่างกายของเราเป็นเราร่างกายของบุคคลอืน่นเป็นของบุคคลอืน่นสักแต่ว่าเห็นหวัวหลักหวัวต่อเท่านั้นอย่าไปสนใจกับร่างกาย นี่ในขณะที่จิตอาศัยอยู่ในร่างกายนี้ก็คิดแต่เพียงว่าเพียงแค่ว่าพึ่งอาศัยอยู่เท่านั้นอย่าระยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราจงเกินไปในเมื่อทีิตร่างกายยังทรงอยู่ก็เอามันเป็นสะพานเป็นแพร่สำหรับข้ามฟากสำหรับจิตคิดปล่อยไว้เสมอว่าร่างกายที่เต็ ม, มด้วยความสุขปรกอบสมมตอย่างนี้ มีสภาพใบท่งตัวมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีการแปรปลีนไปในทากลางมีการสลายตัวไปในที่สุดเราไม่พึงปรารถนาต่อไปเพราะมันเป็นปัจจัยของความทุกข์สิ่งที่เราต้องการก็คือแดนอมตะที่ปราศจากกันห้าปราศจากโลภะความโลกปราศจากโทสะความโกรธปราศจากโมหะควา ม, ลาาวา ม, ามหาามลง เราจะตัดเยื่อใยความเหตุร้ายสําคัญเสียสามรายการคือความโลภความโกรธความหลงให้สิ้นไปเพื่อจะไม่ต้องมามีร่างกายที่เต็มไปด้วยความสกปรกที่เต็มไปด้วยความเสื่อมแบบนี้อีกเพราะว่ามันเป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าอารมณ์ใจของเราตัดได้อย่างนี้อารมณ์จิตก็เป็นสุขเพราะเป็นพาลาน อารบันดาพโยคาวจรทุกท่านสำหรับวันนี้สรุปในมหาสติปัฏฐานสูตรในข้อที่เรียกว่ากายานุปัสนามหาสติปัฏฐานคือว่าเอาสติขบัที่มีกำลังใหญ่ขาไปตั้งไว้ใช้ปัญญาพิจารณาหิ้งกายในกายหิงกายนอกกายก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อจากนี้ไปขอท่านหลายจงทรงกายตามอัธยาศัยของท่าน จะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนก็ตามอัธยาศัยคุมกำลังใจไว้ในกายานุปัสนามหาปติปทานทั้งหกประการเพื่อนาปานุสติกรรมฐานกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกกำหนดรู้อิธิยาบทการเดินไปขา้างหน้าการเดินมาข้างหลังมีสัมปจญญะรู้ตัวว่าเรายกเท้าซ้ายหรอยกเท้าขวา เวลานี้ธารรมดาอยู่กินอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่พูดอยู่ปาริกูลเห็นว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความสุกบลกตั้งแต่ปลายผมลงมาถึงฝ่าเท้าข้อห้าธาตุสี่ใ่้ร่างกายนี้ประกอบเพื่อธาตุสี่ธาตุน้ํำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมีาการไม่ทรงตัวมีการสลายตัวไปและมีความสุกบลกในะวาศีลในที่สุดเราก็เป็นผีเมื่อกบผีในป่าชา ซึ่งกว่าจะได้เวลาที่ท่านเห็นว่าสงควรสวัสดี